นอนกันอนอยู่ด้วยกันจะไปที่ไหนก็ไปอยู่ด้วยกันจะทาดีก็รู้อยู่ด้วยกันจะทําชั่วก็รู้อยู่ด้วยกันจะให้ใครอื่นมาสอนเรามากเกินกว่าเราไปได้อัตโนาโจรยัตตานังเตือนเตือนตนด้วยตนเองจะเหมือนว่าพระพุทธเจ้ามอบทิงทั้งหมดในตัวของเรานี้ให้เราดูเองมันถึงแจะชัดมันถึงจะแจ่มชัด ไอ้ความชั่วทั้งหลายนั้นถึงแม้เราจะไปทำอยู่บนอากาศคนไม่เห็นเราจนจนเราก็ยังเห็นเราอยู่ถึงแม้จะไปทำอยู่ในน้าที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่ที่ไปทำอยู่บนอากาศที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่หมายความว่าที่ไหนเราไม่เห็นนั่นไม่มี อนันความดีและความชั่วทั้งหลายนั้นจึงไม่มีสิลับเมื่อเรามีสติอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกอยู่เราสังรวมอยู่เสมอแล้วจึงไม่มีสิรับวะโหธรรมโอที่ลับไม่มีในโลกเพรมันเป็นอย่างนี้เพราะตัวเราตัอยู่กับเราอย่างนั้นพระองค์จันจึงสอนว่าให้เรากำแคับตัวเราเองสมทับทันว่าวานันเพื่อนร่วงไปเรื่องไปบันนี้เราทํำอะไรอยู่ ที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เน่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องห ร, อ ห, หรือไม่หรือให้ถูกต้องบุญหรือบาปดีหรือชั่วผิดหรือถูกนั้นเมื่อเรามีส ต, ติอยู่เราต้องรูจ้จักไม่ต้องพึ่งถามคนอืนนี่แต่นั่นกนจึงว่าให้เราเป็นพยานของเราเองเกียวกับขีปุโรฒ ต, ตนเองเป็นพยานของตอนตอนนี้แหละมันเป็นพยานของตอนอย่างแน่นอนถ้าเราศีลนาเร่ตระเลงอยู่ในธรรมะแล้ว เราจะไม่มีอะไรจะผิดแต่น้อยถึงแม้ว่า เ, เราทําดีอยู่เขาว่าเราทําไม่ดีก็สบายถ้าว่าเราเห็นเราทําดีอยู่เราทําชั่วอยู่เขาว่าเราดีเราสมัยสบายถ้าความชั่วมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจึงเอาตัวเองเป็นพยานของคนเป็นสิกีปูตูเอาตัวเองเป็นพยานของต้นอันนี้พระพุทธเจ้าเราทรง ทำชับให้ตัวเราพิจารณาตนเองเสมอถ้ารามีปติอยู่มีสัมปชัญญะอยูอย่จะรู้ตัวทุกอุาบายเพราะตัวเรามัก็อยู่กับเราเรานั่งเราก็รู้จักเราเดินเราก็รู้จักเรานอนเราก็รู้จักเราคิดผิดคิดถูกมันรู้ทั้งนั้นแหละยิ่งนั่นโอวาททั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าต่างเชิให้มอบให้ตวกเราเป็นมาตโนโจทยตนนังจึงเตือนตน้น เมื่อเรามีสติแล้วเราต้องเห็นตนเห็นตนนวมันบกต้องตรงไหนสมุนกัจโยมพัฒนาบ้านเมืองเขา้ามารถมางบกต้องแต่พัฒนาได้้ามารถมางบกต้องกต่พัฒนาไม่ได้การทำเพียนธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กัมันตันแต่คูอเรืการพัฒนาพัฒนาเรตตัวเองพัฒนาใจพัฒนาวาจา พัฒนาจิตใจเมื่อเราเห็นเราต้องอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้จากพัฒนาถ้ า, าไม่เห็นเราบังันต้องตรงไหนการพัฒนานั่งจะพัฒนานไม่ได้การประพฤติปฏิบัติที่คือมันจำเป็นนั้นถ้าเราเห็นความชั่วของเราที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติได้ที่นั้นบอกต้องที่ไหนเราก็ต้องเพิ่มที่นั่นมันยาวตรงไหนแล้วก็ต่อตรงนั้น มันยาวตรงไหนแล้วก็ตัดตรงนั้นมันสั้นที่ไหนแล้วก็ต่อที่นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาแต่ที่นั่นที่ญาติโยมทั้งหลายนี้น้านี่ก็ได้นามาเป็นผู้แต่แวงบุญเป็นผู้แต่แวงบุญคือหาบุญให้ทำความเข้าใจให้แยบทายว่า บ, บุญมันอยู่ที่ไหนว่า บ, บุญนั่นมันเป็นอย่างไร เราสเสแสร้งหาอย่างมานี่อย่างพอมหาบุญทันนำมานี่เดี๋ยวเอามาแสรงหาบุญบุญนั้นมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าให้เราสเสแสร้งหาว่าอะไรมันเป็นบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรที่เดก ว, ว่าเรามาแสรงหาบุญบุญนั้นการบริจาคทานทั้งหลายนี้ตามกําลังทรัพย์กาลังปัญญาของเราอันนี้ก็เป็นการบริจาคอันหนึ่งเพื่อ ทัมระไอความเห็นแก่ตนมันให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงน้อยลงมันน้อยลงบันเทาลงถ้าความเห็นแก่ตนมันมันน้อยลงกลุ่มชนเราสลายพอสบายขึ้นมันมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าที่มันน้อยที่สุดกลุ่มชนมราก็สบายขึ้นจนกว่าไอความเห็นแก่ตัวนี้มันหมดไปมันจะจดสังพระของเราเป็นพระอริยบุคคล เมื่อพระอริยบุคคลเมื่อกลับพากันออกไปจากฆาุศึกความเดียด้อนทุกข์ทุกข์ตนก็มีคนมีปัญญามีคนมีสติมีอริยธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นประร้อมการทำที่สบายกายสบายจิตดังนั้นอันนี้กันอันนั้นที่แสดงบมญบุญนั้นันง่นายๆก็คือไอ้ความดีที่ไม่มีโทษความสบายที่ไม่มีโทษตนเองที่เรียกบุญ บุญนั้นที่เรามาแสดงบุญนั่นให้บุญติดตามเราไปอย่าเอาบุญมาทิ้งไว้วัดก่อนอกนี้ว่าสร้างมัดแต่หลวงพ่อแล้วบุญอยู่เนี่ยดีใจให้เอาบุญไปด้วยถ้าไม่เอาบุญไปด้วยไปถึงบ้านมันจะถูกอารมณ์ทิ้งไม่ดีมันกันหน้างอเป็นอิจฉาเก่ามันนั่นแหละถ้าเอาบุญไปด้วยมันไม่งอครับบุญติดตามแต่เรู้จากบุญจากบาปเน่ยเรานั่งลับไปบ้านเนาะ ถ้าอารมณ์อะไต่างๆมันก็ยึดบุญไว้ถ้าอาบุญทิ่งหน่วัดปลาธรรมชาอาบุญทิ่งหนวัดต่อ น, นอกนี้มันจะตามไห่ทันเนี่ยฉะนั้นมาแสดงบุญเมื่อมีบุญอบุญในทิ่ใจบุญอยู่ที่ใจนะั่นแหะมันเลิศไอ้บุญอยูที่ใจนะั่นแหละมันประเสริฐมากทีเดียวเราก็มีสติเราจะมีสัมผัสเหงืมีปัญญารวมอยู่ที่ใจ ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มีสติแต่ถ้าจิตเป็นอยู่อ ย, ยอย่างนั้นมันก็เดียวว่ามันเกิดบุญนั่งอยู่มันก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญไอ้ความคิดที่ถูกต้องตรงไหนมันเป็นบุญที่นั้นไอ้แค่นั้นเมื่อทำบุญไปไปถึงบ้านก็ได้บุญอยู่สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายทีไหนมันก็สบายเพราะสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้ว สัมมาทิฏฐิปัญญาเองชอบมันเป็นต้นของมรรคทั้งหลายมันถูกต้องแล้วเมื่อมันถูกต้องแล้วมันก็อืมเก็ยังก็ต่อทางกับมันมันจะระบายความชั่วออกไปได้ดไปอืมไอ้ความเบามันก็เบาขึ้นมาไอ้ความเมืดมันก็หายไปความสะบางมันก็เกิดขึ้นมาเอ๊ะมันก็ถึงความบุญเมื่อเป็นบุญแล้วมันก็สงบ มันมีเรื่องที่สรณะปัญญามันเกิดมีสรณะได้อารมณ์มาก็เห็นอารมณ์อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตถ้าคนยังไรู้จักบุญก็เอาจิตกับอารมณ์รวมกันเข้าไปเมื่ออารมณ์ดีก็ได้เมื่ออารมณ์ไม่ดีก็ไม่ดีอันนั้นเนื่องบุญยังไม่มีเราต้องแยกจิตออกให้ได้แยกอารมณ์ให้ได้อารมณ์กับจิตนะมันชอบจะวิ่งไปด้วยกัน ไอ้ความจริงมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนถารมีสติอยู่ถ้าเรามีบุญอยู่เราจะรู้จักว่าเอออารมณ์มีมันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันต่อเป็นจิตมันเน็นอย่างกันถ้าเราดูจากแยกมันอย่างนี้นะเราจะรู้จักสิ่งที่มันสงบในจิตของเจ้าของเมื่อจิตมันสงบในจิตของเจ้าของนั่นน่ะเรียกว่าเอาบุญไปด้วยไปทีไหนก็เอาบุญไปด้วยถึงแม้จะเป็นเจ็บถึงจะเป็นไข้ก็ยังอาศัยบุญนั่นมีความสงบระงับอยู่ อันนี้เป็นโ อ, อวาทธรรมะตาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อในวันนี้ได้เอามาใส่จิสัณฐานทับชาวเมืองกรุงเทพเรามีพระมหาบุญพันมาเยี่ยมกราบแวะในถวายบริจาคสิ่งของเป็นบางสิ่งมันอย่างพอสมควรแล้วบัดนี้เป็นเวลาอันที่สมควรถ้าจะพูดไปมันก็ว่ามัพูดใส่อากาศมันมีเกหลอก ตอนนั้นครอบคัวนมันจบลงดีใจกันเราวรู้จักปิดจับอกรู้จับวบาปจับยุ่งแบบพอแล้วท่านสามารถจะอยากพูดด้วยความอยากอยากคิดด้วยความอยากอยากกระทำด้วยความอยากนี่มันนี่คืออยากอยากกงนั้นให้เลยจากความอยากอันนี้ในทางความอยากในทางปาร์นาเราจะทุกข์เกิอไม่ใช่มันทางที่หลักทุกข์ทานให้พิจารณาให้มันได้เรื่องอย่างนี้ อืเรื่องสมาธิมันเรื่องสงบเปรี้ยวสราวก็อย่างนั้นเนี่ยสงบเป็นฐานทั้งมีปัสจณาวิปัสจณาต่อคือความันรู้แจ้งมันรู้เรื่องในไอ้แจ้งชัดขึ้นกวเก่ามันก็เป็นมีปัสจณาแต่เรื่องไปสงบเฉยๆอ่ะที่นี้เสียงมันมากอย่นี้ไปอยู่ในป่าที่มันมีเสียงเนี่ยอื่ะที่นี้มันรูดมาก นี่ไปอยู่ในป่านี่มันไม่เคยมีลูกนี่ยมันไม่เห็นรูปมันไม่ยินแต่มันก็สงบสงบขนาดนั้นเมันจะ่้าใส่เราเป็นแผลอืมันเป็นแผลหยีดแผลมันใช้อายาปิดกระต่ายนะบาบแผลมันหายสนิทแต่ทําไมมันยังอยู่นี่นั่นก็อักเสบจะไม่พาตัดจะแล้วนี่เข้าใจอหม ไปยดอี ก, อกาอีกสลาแแล้วมัสนิทอีกสบายแต่ข้างในมันอักเสบอีกแล้วมันไม่สนิทนี่นี่เรียกว่าสมถะนะยิปจนานะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแผล่าวันนั้นนะต้องควักเนื้อร้ายมันออกซะ ก, ก่อนให้มันดีมันจะทนนันไนโน้ยอย่าไปเหยียดตั้มันเลยมันดีซะก่อนอย่าต้องจิตมัน ยาใจกินยามันดีมันจะทันในมาฮักนอกพอขานนอกดีปักขในก็ดีแล้วมันก็ดีอันนี้กับมันไม่ทำไมอาเสบอีกนี่นี่อันนี้ก็เรียกวิปัสสนากับสมถานี่กับมันแตมาฐานี้สงบเท่านั้นนะสงบปราแผลมันแนตะ่นั้นแต่ขานในมันอีกในงานอาเัเสบเปนไหมคือมันไม่ไม่กันานฉะนั้นบางที ม, มันก็สงบ นีแล้วมันต้องทำไม่สงบแล้วมันเอาเสกขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเมื่อร้ายมันมีอยู่เพราะปัญญายังไม่ถือไอความสงบวันนี้สงบเพื่อธรรมชามันไม่สงบด้วยอปัญญาความเห็นตามเป็นจริงเมื่อความสงบตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องดับตานี่ยรู้จักว่าเออลิีงมันเป็นอย่างไงเนน่ยเรเห็นเรียงตัวนี้มันกับตัวอื่นๆแล้วก็เห็นเหมือนกันรู้จักเรีงตัวเดียวเนี่ยมันสงบไม่ได้ เราเห็นมันีออมันเรื่องยิงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเดินไปอีกดินหมื่นตัวพันตัวมันก็เป็นลักษณะอันนี้ยิงตัวอืนที่ที่เรายังไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนี้เราเห็นยินตัวเดียวเนี่ยก็เห็นเหมือนเห็นหมดทุกตัวเลเนี้ยมจะสบายไหมเนี่ยเห็นยินตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นเห็นยินตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นดูจากอย่างนั้นเห็นตัวเดียวก็นั้นเห็นเห็นหมดทุกตัวอันนี้มันปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้น ก็สงบนริงทำไมจะไม่สงบอ่ะอืมก็ได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดด้วยปัญญามันไม่ได้เกิดด้วยความคิดไม่เกิดด้วยตัวหนังสือมันจะอ่านหนังสือพบมันก็เป็นอย่างหนึ่งคิดเอาก็เป็นอย่างหนึ่งมันเกิดมาจากจิตจิตเป็นเองมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมชาติมันมีปัญญาแต่มันมีญาณ ยังคนมีควารู้ทุกวันมันเป็นมันรู้เรือยปัญญามันรู้เรือยความคิดค้นหาอืมันมันไม่ชัดเจนมารู้จากอะไรมันผิดก็รู้อยู่เท่ารู้จริงๆรู้โทษของมันจริงๆริงแล้วทำไมไปทำผิดอีกเท่านั้นเนี่ยอันนี้เราไปทําจู่เปลือกเปลือกมันเท่านั้นเนี่ยนึกว่าความสงบมันแค่ไหนอตอนนี้เป็นวันแรมฉันสบายดี นใครพอไม่เสียงเดียวควรเลยมีรูปรูปควรเลยไปบางที ค, คิดไหมบวมานี่ฉันไม่อยู่แล้วก็คนที่อยู่โน่นอยู่คนอย่างนี้นี่อยู่ใ น, นในบ้านนี่ตอนนี้คนขี้เหร่เนี่ยมันอยู่ใยบ้านมันหมดยังไงจะไม่รู้แล้จะคิดแล้จะคิดอยู่ที่นี่คิดไปรัตโกงอีกแล้วคิดไปกเทียเป็นมันเป็น่เวลามากน้อย ป, ประกันเท่าไหร่ลองดูทิ่ มันกรงเทพมันไกลเนี่ยน like ี่แม่ประพงษ์ม no ืมันใกล้เนี่ยมันอาจะคิดคิดเดียวใส่มันอืให้มันรู้จับกรุงเทพมันเอ้มันให้มันหลายจังวงบันเน่ะมันกปรับมือเรียกเท่านี้เหี่ไอ้กรงเทพที่เราเคยเห็นเคยอยู่อะไรมันไกลอะไรมันไกลมันไม่มีใจลมีใกล้แล้วเร้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ดูที่คณะจิตมาเร็วเนี่ยอันนี้เราไม่ค้นคิดและไม่คิดเจตนากันเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม มันก็คิดในมันรอบสิ่งทั้งหลๆเหล่านี้เหื่อยมันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรสองถามมันดูดิน้ำสุดสุดเพราะอะไรถามมันดูดิมันเพราะอันนั้นเอออันนั้นมันก็ไปเน่ยเราอย่าไปเชื่อมันมันเลยทุกข์เพราะอันนั้นเอออันนันก็ไปเน่ยอย่าไปเชื่อมันมันไม่แไปเชื่อมันมันทักอย่างมี่ปฏิบัติโดยการปล่อยวางนิ่มันก็จะงอกขึ้นหมาเนี่ยทำยังไงเนี่ม ฟัทงทางฟังเทศก็ฟังแค่นี้เท่านั้นแหละแต่ไปที่บาทไปเถิดมันไม่หมดหลักพวกเราไม่ท yes, <something> ํากันไงก็ไม่รู้ผมจะใช้ะต่ทายบาทขึ้นภูเขาอยู่สานี้ผมนั่งหัวเราะอยู่มันไปตายกันมันตั้งใจความสงบอยู่ภูเขาเนึ่งมันเกิดความสงบอยู่ในป่ามันเข้าใจอย่างนั้นความสงบมันอยูุติมีความเห็นชอบมันไม่เล่นนี่ ปัญญาเห็นชอบมอันไม่ไดีจกักละหาหาแต่มันก็ไม่พบหรอกมันมาพบที่มันเห็นชอบมันจริงจะพบมันก็เป็นเหตุให้หามันกันนทำไมไปหาดูที่ไปหาอยู่ภูขเขาหาอยู่ปา่าถ้าไม่เห็นชอบเหมือนเดิมันไม่สงบแล้วเราไปเรื่อ้ตงนั้นแหละนอกจากนั้นไปพระวินัยเราเคยอ่านอนัมพโกวาตมาอ่านดูดิ ทำไม้ไปอยู่นั่นแหละยี่ไม้ไปอยู่นั่นแหละถ้าไปขึ้นสิ่งทั้งหลายแบบนี้แนหะละไม่ต้องรักษายี่ไมแล้วก็เสียแล้วจะไปเอาที่ ไ, ไม้ต่อไปเถอะไม่ไม่อย่างยืนะออนะเฮ้ยจะเจมเป็นไม้ ก, กับเป็นไ ม, กกนม้ติด่อเอ้ามันไม่มีมันไม่ีอายุไม่มีนิรนธกแต่ตัวเม็ดมันไปเพาะเอาเอามาปลูกสั้งเม็ดมันเห็นไหมีรากแก้วยาวนั่นมันไม่โค่นง่ายไม่ตายง่ายจะเอาอย่างนั้น ใหม่ๆแล้วนี้ก็เรียกว่าเพิ่คิดอย่เนี้ยต้นไม้ที่ไปต่อเป็นลูกเอวง่ายเป็นไหลายลูกแล้วเป็ไนไปโทษอีกสายง่ายอีกเราควรคิดในมันรอบครอบอย่างนงี้ยในนี้เราเพมาเห็นนี้มันจะเดอย่างนงี้ยวันทงวันเขาตัตาวเจ้ายังไงเกปีงั้นตัวเจ้าเป็นมาเายตั้งแต่บารมีมาสีญญาา่ข้าเดิน หกปีมันเป็นกิจอะไรรู้ไหมไม่ังกันตั้งกี่ปีมาแล้วทำไมเออเหมือนขนาดนั้นเราขายผักขายยญ้ามาอยู่กี่ปีกี่เดือนเลยแค่มันนั่งทำอะไรอย่างนี้มันสงมันเป็นไปได้ไงก็ดีไปวัดดูแลไปบวกกันที่ แล้วสัมสมักศึกษาชอบเป็นเงี้ยแหมมานั่งแถวมา่อกี้อย่างมา น, แบบนั่งแหวเมื่อสงบเร็วนั่นเนี่ยโอ้ยไปนั่ ง, บบนะนนงตรงไหนถึงนั่งกองไฟเลยนะ <c ười> นั่งคิดไปโน้นคิดเอาบ้านคิดเอาเมืองคิดเอาอะไรอะไรได้หลายอย่างนลยเนี่ยอยากจะทำมันสงบเร็วๆอยากจะไปอ่างนี้แต่ไม่อยากดูแล้ว <c ười> <c ười> เอ้ยสต่เรากคิดกันอย่างนั้นเนี่ย ใบไตนาๆก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นล้วมันไม่สงบอย่างนี้ตอนสงบตอนสงบไม่ยากแต่พระเจ้าองค์ก็ลงหรือท่านทำอะไรยังไงนะมันมีจีตีปีเดียนมาแล้วมันเป็นสมมามันไตนี่แตมันเป็นไข่มันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นไข่มันเล็กมันเป็นตัวล็กตรงนันตัวเดียวกันเป็นมันขึ้นมันตายตัวไตตัวเดียวกันี่อืมันเป็นแบอย่างนั้น ถ้าเราไปคิดอะไรมากก็ไป น, นิ่มลําบากปฏิบัติอันนั่นก็ยากอันนี้ก็ยากไ้หมดไงแล้นว น, นี่จะตรวจ ด, ดวสูสินะมันช่องตรงนั้นเอาสินข้อไหนเนาะอย่างไม่ใช่ไปไปเพิ่ม อ, อย่างนั้นจะทำอย่างนั้นมันก็ท่องในจิตใจของเราเนาะไอ้ความบริสู์ที่จิตใจของเราไม่มีกายก็กจิตท่านี้สินทั้งหมดไม่มีกายก็กจิตทรงนี้เออทีนี้บางิีว่าฉันไปรักษาสี่พิษก่อน อีกต่อไปจะปีหนาจะทำสมาธิอือีกปีที่สามจะทำปัญญานี่โดยมากคนเรามาคิดเป็นนี้ถ้ามีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาถ้ารวมถึงมันมีปัญญาแล้วก่อนมันถึงมีศีลมันจึงมีสมาธิตามเรื่องมั น, นบนลอดกันอีกอย่างนี้ ถ้าแยกมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิเป็นกัญญานะทีนี้เมื่อเราจับขึ้นมาเนี่ยอจะทาสมาธิตรงนี้น่ะอย่างไม่เสร็ไม่ไปหยิบต่างๆลางขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยต้นสองสองมันอยู่ไหนมันก็ติบตามกันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่สองต้นแล้วไปหยิบต่างๆมันขึ้นมาแล้วอย่างเราทำใจที่มันสงบมันจะสงบเมื่อมันสงบเลยมันก็ไม่กังวลไอ้ความที่ไม่กังวลก็มันไม่ผิดกายไม่ผิดมาจากองเราเนี่ย มันก็ขึ้นมาเ like องก็มันแล้วปัญญามันก็มีเมื leverage, ่อกิจสงบแล้วมันก็มีปัญญามีปัญญามันก็มีศีลมีศีลมีสมาธิมันวนรอบต่อๆกันไปได้ด้วยมันเป็นไปทดสื่กันในกันอยู่อย่างเนี้ยแต่เราเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งอันนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นด้วยความรู้สึกคิดของเราเมื่อกิจเป็นสมาธิมีคณะเดียวเท่านั้นอมีคณะเดียวมีคณะมือเดียวเท่านั้น โดยในทั้งพุตธการของเราเน่ะบางทีพระองค์ท่านทรงเทศนาอยู่พระทิศเดินสมาเห็นพยาธิแบบพักๆๆกันนั่นเป็นสมาธิเลยเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นก็ได้จะไปสร้างศีลที่ตรงไหนไปสร้างสัมาธิตรงไหนไปสร้างปัญญาตรงไหนเยเมื่อศีลสมาธิปัญญามันรวมเป็นสมาธิอันเดียวกันเป็นหนึ่งมันจะเป็นเอโกธโมเดเดกตันปฏิบัติธรรมเนี่ยี่การปฏิบัติธรรม พูดง่ายเดีการปฏิบัติธรรมนะเไม่เห็นอะไรมันเป็นธรรมแต่นี้ที่ก็ต้องต้องเขียนไว้อืเป็นหลักการเป็นวิชาการจะต้องทําเป็นศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นอ ย, อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายนะี่มันก็ออกจากกายวาจาจิตทั้งหมดวาจาที่ออกจากจิตกายก็ออกจากจิตนี่อี่เพรามันจิตตัว เ, เดียวแต่ฟึบจิตตัวเดียวถึงจะเป็นไปเพีงวันเท่านั้น ควบสั่นท่าก็ไปก็ เ, เดียวจิตมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นอืมแต่ว่าจิตมันเป็นตายเป็นบาดาเป็นพยานอืถ้าจิตไม่ดีพูดจะพูดไม่ดีมันบอกเองมันนะถ้าจิตมันดีมันก็พูดดีอะไรดีทําอะไรดีเช่นนั้นมันจะไปตามรูคนนั้นเป็นแนวทางที่เจออันนี้เป็นลักษณะเอเป็นลักษณะการอ่อนกานาไป ไอมานะได้นะไหนละอ๋อประพมา น, มนะมาจากการลวงพ อ, ง อ, อที่จังหัดสุโขทล้วเี่าวเลือลอดผเิขข <c oughs> ้ น, น ส, สขของันหสี่้อยแปดสสีสิบห้าไปเี่มา คณะรัฐกภาสนามในระหว่างสงคารามแล้วก็เลอกสงคารามแล้วผมก็มาเป็นข้าราชการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์ประจำอำเภอหลังๆแล้วผมก็ถูกย้ายมาเป็นอันตมายจังหวัดในปา2499มันอยู่ได้สามปีปี2000 500จักระักยจากที่นที่เข้าสรเทศแล้วก็ตามหลังก็ได้ไาเติมเชื้อเพลิงสเปเซอรรามาที่ปรธเคุนันามายแล้วถ้าเป็นแรงประจุโซาร์แท่งสูแล้วก็ได้ไปทำงานที่องค์การนานาไมโลกที่ประเทศอิดียครบ เจ็ดปีครึ่งจนกระเสียณอายุในทีนี้อายุหกสิบปีส่วนภรรยานั้นก็อยู่ที่ภูเอ็ตส่ว น, นอาบ้ก็ตามที่ผมเป็นอนามัยก็ยังเรียนนักเรยนนักเรีย น, น, นมัานักเรียนมัธยมศึกษานัเรยมัยมศึกตอนหลังเขาก็ไปเรียนพนักงานอนามายัย อากลับมาก็คดีสาสุกครั้ง่ประจาจรองถือว่าเป็นลูกเพราะว่าแต่มันก็ลูกผมมีสังคนลูกชาวมีสงคนลูกชาคนหนึงคนแล้วไมเท้ก็ต่อแล้วผู้ชายก็ทากข์ฮะเดินในการกลับมาผมก็อยากจะมานมาสังรร์หลวงพ่อหลายครั้งแต่มัมีโอกาส เ่อค in ั้งน ok ี well ้เราไปเมือกาดนะเมืองกาดเขาไปเขาไปไปทบถึงอนเดียเนี่ยเขาทบถึงศิษย์ในอินเดียกต่ผมไปต่อไปตามที่ที่อินเดียนี่ตามที่มอนทอาอะไรกันร้านใของคุณสิา ไม่าบหลพ่อป็คเปล่าเลยนอนไผมไม่ทราบาหลวงพ่อเปคเลยการกระทำนั้นได้งไงครับท่านชุดนั่งหลวงพ่อเป็นใครหรือท่ังเงอย่างนี้ป็นศิษย์ไปครับสารพูนักการวานครับ ต่มาไม่ไดไปกางใจจั่นโนไปทางุงดอนดอนไปทางสหรัฐเนี่ยไปแคนาดาอินเดียเขาก็มีมูลนียวกัยังในเวลาที่จะไปที่จะไม่ได้ไปเลยอ่าที่อินเดียนี่ก็พมเองจะภัลยาจะไปที่สถานมายวิญนาสถามศที่หลงพิมลท่นี่แบบเตโกับทีพุทธคยา อีประคมเจสนาปิการนาคนะเด็กประเด็นนิพามเด็กปุจินาเป็นไรประเดินในดวงศุภิญญาณงนคนธรรมดาไม่สามารถจะทำได้เลยเป็นที่น้าสำรวจนะแตสทางที่อยู่วราสมาธิ่นี่ยเอาค่คันลับสมาธิ มันจะมัออาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ามาอย่างนี้มันต้องเดินไปถึงกรุงเทพก่อนที่เออกรุงเทพมันเป็นงนี้อย่าไปถึงเตียแค่โคราชสถึงแม้จะมาอยู่โคราชไปก็ถึงกรุงเทพก่อนเถอะเมื่อไปอยู่กรุงเทพมันจะเห็นเออเมืองโคราชจะเรนแค่นั้ น, นให้ไปถึงเมืองกรุงเทพก่อนแต่แลราก็ผ่านเวิร์ลด้วยผ่านโคราชด้วยผ่านกรุงเทพด้วยคือเรี๋ยว่าสมาธิเนี่ย ท่นิสกัสมาธิอัปปนาสมาธิมันถึงที่มันไกลมันถึงที่นก็งไปใช่ไหมอัปปนาสมาธิมันจริงจะรู้จักโคตรรู้จักโคตรของสมาธิว่ามันเป็นอย่างไรอัปปนาสมาธินี่ก็มากกว่าอิจจาระอุจาระมันเทีย่ยวไปเที่ยวมาเท่นั้นไปเทีย่ยวไปใช่ <laughs> ไหมไปมันจะไปจะมาอุปจละสมาธิ คณิกาสมาธิมันเข้าไปนิดหนึ่งอุปยาสมาธิมันไม่เข้าไปมันเดินไปเดินมาออกไปออกมาอยู่ในความแต่แต่อยู่ในความสงบในฟุ้ชซ่านแต่มันเดินไปเดินมาคณะกิจของมันคิดไปคิดมานีู่แต่คิดอยู่ในความสงบบางทีคิดไปคิดมาในความบางทีก็เข้าไปหยุดแค่คณะหนึ่งเป็นคณิกาสมาธิไปพักอยู่เป็นเป็นเป็นคณิกาสมาธิเมื่อเข้าไปถึงอัปนาสมาธิเนี่ยมันขึ้น ขณะสมาธิอุปจินาสมาธิทิ้งไปหมดถ้าพิจารณ์ตรงนี้มันค้นจากสิ่งทั้งหลายนี่เจล า, ามันเป็นผลของขณะสมาธิโดยนะ่มืมันเป็นผลของอุปจินาเดยนะมันถึงไปถึงมดุดไม่ต้องผ่านนี้ถ้าไม่ผ่านนี้ไม่เข้าถึงมดูดอันนี้แล่แก่คนแล่แก่คนแล่แก่ปัญญาจนทันงทไม่เครู้ว่าถึงถึง คุกเบการะคุกเบการะมาที่ในกระางเลยในระนั้นนี่มันอยู่ในระหว่างอันนี้นโอโอ้อันนั้นอันนั้นอันนั้นทราบไหมยากถ้ทราบยากอันนั้นมันต้องอยประมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะอย่างผลไม้ผลหนึ่งนะโยมมาถว้ายอัตมานี่นะรถผลไม้อัตมาว่ามันมันมันหวานอัตมากรู้จักนะมันหอมอัตมากรู้จักรู้จักทุกอย่างแล้ว แต่ว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้จักชื่อของผลไม้ที่ผลอะไรเอน่นะี้อันนี้คุณต้องกันอันนั้นมันเป็นของจําเป็นแล้วถ้าเรารู้จกักกับผลนี้ชื่ออนั้นมันก็ไม่เพิ่มเพิ่มความหวานถึงไม่หยุดมันไม่เพิ่มความมันถึงไม่อีกดแล้มันประโยชนแค่นั้นค่ะอันนั้นเอาไว้ตรงที่ว่าถึงจะเหตุที่จะควรรู้ถึงรู้แต่ไม่รู้ชื่ อ, อมันมันเป็นอะไร รถของมันทุกชนิดแล้รู้มันแล้วเขาเรียกว่ามันกรำขามันทั้งสองขาแล้วมันจะไปที่ไหนขอมันไปเลยน่ะอย่างนี้นะอจะเป็นชื่อของแอปเปิ้ลหรือชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะรถมันแล้เรื่องมันแล้วก็ไม่จําเป็นเท่าไรายถ้ามีใครมาบอกก็รับไว้รับไว้แต่ถ้ามีใครมาบอกก็ไม่ต้องเดี่ยวตอนนะเพราะรถของมันแลรู้เรื่องมันหมดแล้ว อย่าง ม, มีความจเจริญเติมที่จะต้องให้ถึงเองาปัญญาสะกดี่จะจะถึงปัญญาได้ไม่ต้องไปมีความยิบปัญญาได้ใช่ไหมครับใช่มีปัญนาตรงนั้นหมดไ อ, อ้เครื่องอุปกรณ์ของที่จะเกิดปัญญาอันนี้มันพอแล้วไม่ต้องเอาสมาธิทั้งหลายเรานี่ไปใช้อย่างอืนไม่ต้องไปเพ่งภูเขาไม่ต้องดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปเพ่งคนนี่มันเป็นสุนัขไม่ต้องสุงสนัขเนี่มันเป็นคนไม่ต้อง ไปเพ่งในอะไรวุ่นวายมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเพ่งสิ่งที่ให้มันเกิดปัญญาเลยเราต้องรู้ว่าศีรษะนี่ลงบาฮาปลายเท้าอปลายเท้าศีรษะนี่มันคืออะไรในความจริงมันแค่ไหนทําไมมันถึงยึดมันหนักหนานี่คนเราเนี่มันเป็นห่วงเป็นไยอะไรไหมมันเป็นเพราะอะไรมีอะไรบ้างไหมอยู่นี่เราจะมาค้นเจียงทั้งหลายฮลุ่ยเท่าตามไปเจียงออมันเท่านี้เองเนี่ยมาเป็นมันมันอย่างนี้เองมันเท่านี้เอง เ่มันเป็นเช่นมักระถามประสานาเท่านนเนี่ยที่เขาไปยธ์มันถือนั่นว่าเนี่ยอนั่นหมายรักมันที่สุดแมี่ยอนั้นประเทศมันที่สุดยางี้มันกระถอมออมาเท่านันแ่ว่ากระถอมประทานนี่มันจะถอนจะยากนะถ้าไม่ไม่ไม่ไม่ลดการหากระถอมมันจะยากไม่ต้องลดการปฏิบัติมันลดมันเองเมื่อไปเห็นมันด้วยจับลอกอย่างไฟนี่ไปจับมันรอดมันดางเองนะอย่างเด็กนมันมันเห็นเพียนเลนะไม่ไม่ได้จับแบไฟมันก็ เข้าไปไข้ทุกทีทุกทีมั้นมันแบบมันเป็นท้องดีมันรู้จักรถของมันอีกวันหนึ่งเราปล่อยนไปดึงขามันมันก็ร้องไห้บ้านนึ่งเรปล่อยตอนให้มันการไฟเต็มทีแต่โอ้ร้อนร้องไห้เลยบ้านหลังไปจุดเทียนขึ้นเด็กปล่อยเด็กก็ไปตีมันจะเข้าไปไหมมันกลัวเนี่ยเนยมันดูแหละนี่มันเห็นแต่มือวานี่มันไหม้มือมันเนี่ยบนนี้มันไม่เล่นเดินตอนสุ่สุดมันจะเป็นอย่างนี้สบายมันเป็นไะเองของมันมันเป็นใบพกสินกันด้วยกัน อันมันเป็นอัตโนมัตินะไม่ต้อนไปช่วยละมันแล้วอืมไม่ต้อไปช่วยละมันคือความรู้จักอันนั้นมันมันอยู่ในตัวของมันแล้วคุยง่ายใช่ไหมอย่างนี้สักทานข้าวเราทำไมเราเราเจอรู้จักเราอิ่มเอากันงี้สักให้ไปบอกเราอย่างงี้สักนี่ฝึกกันใช้ยงีมันง่ายดีเออ ตอนนีถ้ารไม่นจะรับการแนะนำซะก่อนอาจจะไม่จะเป็นบ้างอันนี้กับเป็นบ้างฉันว่าไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเราไม่ทราบสมมติได้เคยไปหรือไปโคราชนะถ้ามันมีใครบอกซะก่อนอาจจะไปถึงกรุงเทพไปโคราชหลครั้งใช่ใใชเวลาน า, านใชเวลานานฉันแบบคู่คู่คนที่ดีมาใครแนะนาเมื่อนาเมื่อเข้าใจเร็วมันก็เร็วนะบางคนก็แนะนําเข้าใจยากมันก็ยากเท่นัน อ, นน อ, อันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในร้อยบุ้ึ่งในพันก็ว่าได้นะอย่างนี้นะไม่มีใครสอนรู้เองเนี่ยฉลาดเองนี่มันน้อยพอใจไหมะต้องมีครูชี้อันนู้นอันนี้อันนี้ให้ความฉลาดเพ่มต ม, มขึ้นมาแล้วก็เอาปัญญาจะของเพิ่ม เ, มเมข้าอยู่รวมกันไปร้มกันไปนะเกิดคนดีเกิดคนดีฉะนั้นจริงใจจะต้องมีครูสอนจนจะมีใครเนี่ย ถ้าไม่มีใครเนี่ยมันไปยากมันช้าอย่างนี้อ่าที่นี่มีคารวะที่อาจารย์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยได้ทำแบบนี้มากนะมีมี ท, มทำตัดคือทำไปไม่ต้องบังคับผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระก็มีดินมาังไปเรืยกันงี้นะ ใครเข้าใจขนาดไหนก็ไปทํามาเถอะเท่านั้นไม่ได้ห้ามอืมแจกะมีคนสนใจแล้วก็มีคนทำํำทำจนกว่ากิเลสมันบางก็มีแต่ว่ามันบางขนาดไหนก่อนก็ชั่งมันเถอะว่ามันไม่หนักอย่างเก่าเหรอเถอะ <c oughs> <c oughs> เราตรงไปชั่งอะ่ะมันออกไปกี่กิโลแล้วจะไปชั่งมันเถอะมันเบาซะหน่อยเดีก็เอาเยอะทำให้มันเบาเรื่อยๆไป แล้วเมื่ อ, อไรไมันจะหมดหนักก็ให้มันรู้จักเออมันหมดแล้วก็รู้จักอย่างมันรู้จักนะปั จ, จตัเบติตะโพวิทูยิยินยูชนรู้เฉพาะตัวเอง็งผมยังเป็นห่วงอีกอันหนึ่งครับผมรู้สึกว่าทำไมมันมันมีไอ้ท่าก็ว่าถึงขึ้นมันเป็นเกิดจากที่เรียนมากขึ้นนะท้องเส้นคนก็โลบมากขึ้นโกงมากขึ้นะ ลักขโมยก็มากขึ้นทำร้ายกันมากขึ้นกินเหล้าเมายาก็มากขึ้นในวัดในร้านก็กินอะไรต่างๆทําเอสึกว่ามันมันมากกว่ากันแล้วอันนี้อะจจะมาทํามันถึงวิ่งดีให้มันคนเกเรมากๆทํามันจะวิ่งดีมันจะเห็นโทษง่ายมันจะกินยาตายง่ายมันจะยิงกันง่ายๆมันจะเห็นโทษมันเองนะอือันนี้มันเร็วอย่างนี้รู้สึกว่าในสมัยนี้ประชาชนชนธรรมะ วิ่งกว่าคนธรรมดาแต่ว่าไอ้ความชั่วของคนมันก็ทํายิ่งกว่าคนธรรมดามันยิ่งต่อกันขึ้นไปอานจะมาไม่ียุดอันนี้ดีมันดีมันเร็วมันเร็วขึ้นมันเห็นง่ายขึ้นเห็นผลของง่ายไอ้คนเรามันเห็นทํำคนมันเห็นมันเห็นไปมามันง่ายมันช้าให้มันหนาแต่ละการมันหนามาแท้ไอ้มันเห็น มันอยู่ในทีมืดมืดให้มันอยู่ทีมืดมืดเราฉายไฟเข้าไปในทีมืดมืดเนี่ยมันมีสว่างมากที่สุดเพรมันมืดอืเดือนไม่ง่ายๆจะไปฉายไฟขึ้นสิในการแจ้งมันจะเป็นยงไงไหมมันไม่ถนัดทรายให้มันมืดมืดไปฉายไฟเข้าในทีมืดเน่ยมันสว่างดีที่สุดจ้ะ ผมก็นาวม่มีโอกาสท่านผมก็สนใจมากพอสมควรก็เอาพิารเลยเจ้ท่านี้ก็สนพอแล้วนี่นี่อาไปพิจารณามันไม่หนีจากทางนี้แล้วมันทางนี้แล้วมันทางนี้ม่ชทางอื่นแล้วมันมันอัตมาว่ามันสนใจเลย ที่คำศเกษาบอกว่าคุณกเกษียณแล้วนี่ก็อพอแล้วนะนี่ทําไมแต่ก่อนเขายังไม่กเกษียณเราบัด น, นี้เขาบอกว่ากเกษียณแล้วกเกษียณนี่หมายควา ม, มาอะไรก็รต้องคิดดูสีบอ่ะนะ <c oughs> มันกเกษียณแล้วต้องค่อยๆ ค, คิดอยู่เรื่อยๆอย่างพระอาจารย์ก็ให้พิจารณาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราก็เกษียณหรืยอยังถ้า ดินนะ้ำไต่ลงความแก่ความเจ็บนี่มันกเกษียนณ ม, มันชั่วอยู่เรื่ไอ้ไอ้ไอเทวาทูตนี่มันบอกเราอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันไม่บอกว่าอืมขันกเกษียณเือแล้วไม่บอกอย่างข้าราชการเราไม่ออกหนะ้าสือตรงนั้นแต่ว่าตามมันก็ค่อยๆเป็นของเงินไปอ้โก็ค่อยๆเป็นของเงินไป ล่างก า, งางกยก็ค่อยเก็ตรงไปมันเสียนมาแต่ก่อนนานแล้วมันตามอยู่เสมอเนี่ไม่ได้ที่ของมันเนี่ยอาจฉริยะตอนเชียงคีรีนาซ่อมเกิแก่เก็บตายเพื่อจะมาเห็นว่ะเกษียณนี่หมานความอะไรสนใจเหอะอืมอืมวุ่นกระเกษียณกงหมายถึงอะไรจะหมาไหวต้องพูดไงว่อันนี้ใครไม่เคยดีแล้วขาลงซอมเลยเนาะ คงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าลบเขาก็เอาเข้าอู่ลยบนี้อย่างนี้เนาะอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วเอไคนเราเนี่ยดูยไปขา้างหน้ามันยังไงเนี่ยดูกลับหลังนั้นข้างในอันไในมันใกล้ ก, กับการไกลกับการมั้งเราจะอยู่ยังไงไปอยังไงไหมควรคิดแล้วปันดนะควรพิจารณาแล้วอืมผลที่สุดพระองคพระองค์ของเราท่านเองครับให้เราคึกถึงความตาย อย่างเดียวนี่แหละอย่างอืน่นจะมาตอนตรวจตอนสังเกตความอะไรอะไรแต่ผนมันจะรวมรวมพม่าทั้งหมดรวมพม่รวมสังเกตที่สังเกตเห็นอันนี้จังคือของเอเทียทเท่ยงก็ยิย่งเห็นชัดอีกหลอกมันไม่เที่ยงมันมันไปอยู่อย่างเกา่ามันมันเปลี่ยนตาของจมูกนิ้วกายมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยน นี่สิมเทวดาทู่เปลี่ยนเช่นผสมมันหนอกอย่างนี้มันก็มันก็เปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เราเห็นนะทุกวันนี้มีของตกปิดอีกนะอืมียามายอมมันอีกนะกันไม่ให้จะของแก่เลยนะชอบจะโกหกจะของเงื่อนไประยมเรานี่นะชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะเปิดเผยอีกแล้วนะเรื่องความจริงมันจะทำมันจะเปิดเผย แล้วก็ช่วยกันไม่ให้เราบห็นิดจิดไว้จิดไว้กันตัวเองไม่ให้เราเห็นมันจะต้องเห็นอย่างนั้นโดยมาก <c oughs> คือช่วยปิดจะของไว้ไม่ช่ยเกิดเผยจะของตามธรรมชาติตามหลักชนะอันนั้นเราจะพิจารณากว่าควรได้อะไา น, นี้และนะอไม่มีอะไรก็มาเมนไม่ไกลกันนะั่นมันยุคอนาที่ <c oughs> เคยทำารือบล่าเคยนั่งกำหนดจิตป่าเคยบ้างเหมือนกันผมก็อายอ่านหนัือเแล้วก็อุปสรรยังไม่รู้ว่ามันติดของตัวเองเนี่ยมันถนัดแค่ไหนและเข้าไปลึกถึงามคิดว่าตอนนี้ก็ผมก็ได้แล้วแค่คำวิขาดสมาธิของนรามันถึงเด็กไันได้เราคไปแค อุปจารพักนั้นเองอะไรแล้วนอนก็เลยไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะถึงอป a r ะที่เขาว่าอภ a r ะมันเป็นยัไงอย่าไปถามถึงโน้นเลยเรามันทุกข์ไหมทุกวันนี้มันบุ่นบายไหมอย่าไปถามถึงโน้นเลยเออมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมคือมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้อย่าไปเอาถึงโน้นเลยถึงมันไปเวทมันหลัว่าเราชีวิตเราอยู่ไปทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างไรไหมมันหนักไหนนี้มันทุกข์ไหม มันขัดข้องไหย ม, มันขุ่นมัวไหมเพรารู้กว่านนตัวเองก็อันนี้จะว่าตัวเองก็ไม่นนเคยจะมีอะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าเราไม่ได้ห่วอะไรมากล้วา ค, คิดอะไอยากการเพ็่มตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตารทุกข์ควรอันนี้มันก็ทำให้หายทุกข์ไปบ้างหรืออาจจะเรืม่มค่อยเอามานันเป็น้งังวลการการ กเยังไงไปกิน้อ้นั้ไม่ได้นะมันจะมาก้าใคคิดได้อย่างสิ้นลัวมันจะไม่ถึงขนาดนั้นกาลังภาวนาอยู่สมัยก่อนที่จะมาเจสาลงมานะอาตันตาตาเจ้นี่ว่าจะจะจะไม่ให้มันขัดข้างในเรื่องนี้อีกต่อมาอายุประมาณสักห้าสิบสี่สิบกว่าห้าสิบตรงนี้มันมาหลุดออกจากมันมาหลุดออครับ แหมมันยีตกวขันบนอยู่หลายวันนะโยมนะอาตมาคิดอ่าฟันซีกเนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นของหเป็นธรรมดาของมันนึกมามันตกแล้วนะเมื่อมันดต่อจริงๆแปลกนะโยมนะไปนั่งอยู่กับวิวตกไปโดนไหม่เรานี่มันแก่แตแม่เราเนีามีน้ำคราอยู่ด้วยยเอๆมันออกซีกเดินรู้มันหล่อมีเลยโอ้โหนะเจ้่คนมื่อกี้เจคนอื่นแต่นันเป็นคนแก่นะเนี่ยนี่มันแก่ใจไม่ ขึ้นไปตบทบวนอู่หลายวันนะนี่ไม่แน่เหมือนกันในอันนั้นอันนั้นเราคิดอีกอันหนึ่งนะเมื่อเราจะทิ้งมันจริงๆเนี่ยมันยากนะอาจจะมาเคยจะไปธงอ่ไปทธงเนี่ยมันต้องเอาของใน้อยมันสบายดีเว้ยอืมันจะไม่รถลุงรังมันจะไม่หนักนะเก็บนโนมเก็บนี่ตะไจะไปเมื่อจะไปจริงๆเนี่ยบางทีมันอยากเลยถึงหมอนเนี่ย ถ้ากี่นิว้วไปเช็ดเ้าก็อยากจะเอาไปด้วยนะโยมนะตัวมันจะขาดตัวมันจะลําบากมีของนอนไปแะใช้มันไปมันจะง่ายเมื่อจะเอาจริงๆมันถูกเราเต็มทีมกันนะ่ะของนิดเดียวแหละเราจะมองเห็นได้แล้วนี่จับไว้จับไว้เมื่อจะเท่งจริงๆมันเสียนะโยมนะอถ้าเช่นนีจะเิ่งไหมนะ เ, เช็ดมาเตอรไซก็ยังได้ ยิ่งคนแก่ยิ่งกรรมตะมีเลยนะระวังใหดีเอะเมื่อ จ, จะเอาจริงจริงเด็ดขาดนี่ยากจำไว้คุณพระจัรพรรแต่พระสมองเห็นจะของได้อันนี้หมายถึงเสดเดอ่อ น, อนใช่ไอ้กอมอุปทานยังมั่นหมายอยู่ยังเพราะเรื่องความบางครั้งความเป็นกังวลและความไม่พอใจอะไรไไาไตาง ม, มันกระจายมันก็มีบ้างเพราะมันเป็นใชม่มันมันยากนั่นแหละมันยากอยู่ตรงนั้นล่ะ นะั่นแะจะต้องคันในต้องโขนไปถึงสมาธิขันไหนขันที่มันเป็นกังวลนี่สาคัญหมกังวน้อยกังวนมากไหมเนี่ยจะไปถึงอันนู้นอ้เลยาไม่รู้เรามันไม่รู้จักมันจะรู้จักตรงนี้ง่ายดีตัวหม่องบดที่ก็คือต้องให้ละแม่ซะก่อนอืมอืมแต่มดีก็ละต้องต้องพยายามอืมต้องพยายามทีละน้อย มันมันมันจะมันจะทิ้งเฉยๆไงมันจะต้องเห็นโทษมันเนอะเพราโทษจริงมัน่ะสิ่งที่เราจะทิ้งมันได้นี่ยเห็นโทษมันจช่แล้วก็เห็นคุณไหเมื่อได้ทิ้งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์อย่างไรเนี่ยเห็นเห็นคุณมันอย่างอย่างมากที่สุดแหมคนเราะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อจะเมื่อจะลงเมื่อจะลงเมื่อจะออกจากบ้านไปกวเมื่อได้รากลับเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้นะ เนี่ยทำไปอยากได้ยังไม่ได้ทำเลยคิดไปประหยากได้เหมืนเวลไปที่อื่นลงบ้านลงลงจากเงินเวลาไกลับพอมาพุธมันอยากกลับล้วพราะมันเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นยังได้ก็ยังไปจะไปติ้งจะไปองเท่านั้นนะเรื่องเรายังไม่จบอืเรื่องของเรายังไม่จบแต่ยังไงก็ต้องทํา มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดอยาจะได้เข้าใจแต่การทำบางทีจะได้เข้าใจว่ากันนั่งอย่างเดียวตามทํางานที่มีสติ te. ให้มีสถีเดี๋ยว น, นี้เราทําผิดไหมเดี๋ยวนี้เราคิดผิดไหมเราคิดถูกไหมในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราคุยกับคนเดียวนี้มีความรู้สึกอย่างไรไหมเราทำํำเราคิดผิดไหมอิจฉาคนอู่นไหมเอาเปรียบเขาไหมเอาเรียกบเราไหมอันรบางทีบางที ถามัน ก, นกลางๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พยายามคอยเคียบมันออกพยายามรู้จับยิงให้ดูอย่างนั้นไม่มีเทราดูจับตรงดีความชัว่วของเราเท่าความต้งเราเท่ารูปของเราเองออะไรมันเบาเออกไปเรื่อยๆมันก็มันจะเป็นศิลนั่นน่ะมันก็เป็นศิลนมันจะเป็นสน ม, นนมาธิทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันเคียบไเนี่หมดไหลชั่วโมงหมด จะับที่ไหนทีนี้การนี้ก็นอนที่นี่ผมมาลนนอที่อุบลเรนนี่เนนี้เนนีไปอยู่กรุงเทพจเะนี้มาสรางประโยชน์โลกมากมากนีคยควรหลายเอผมก็น่าปะยชมากคิดว่าจะตไปขัดควแล้วล่ ว่าเราพยายามดูถ้าสังสารดูบางทีมันก็เมือนแหน่งไปง่ายจิตของเราเนี่ยมันเห็นง่ายแต่มันก็ไปได้เหมือนกันอยากฝึกถึงการบวชเชอะฝึกถึงการปฏิบัติการการบวชมันไม่ยากก่อกมันยากคือการปฏิบัติบางคนก็มผงจะการบวชการบวชบวชมาทำอะไรบวชจมาปฏิบัติดีไหมเนยถ้าไม่มีโอกาสสมควไปรัจงบวชทันที่โดยไม่บวชเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันมีเนี่ย มันแน่อยู่ในการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในเพิยงขาวะาด้วยมัอก็ยังได้นี่นะอืมปัญญารู้ไปถึงไหนก็ไปถึงเนิ่นเนี่ยไม่ บ, บ ว, วนะเชเมื่อนอนยูเฉยๆฉมันจะดีหรอกบวชต้องต้องปฏิบัติอย่างเก่าเง่้ยแหละ